หวังจะช่วยป้องกันความสับสนผิดพลาดเช่นนี้จึงสอนให้รู้จักแยกสัจจะหรือความจริงเป็นสองระดับกล่าวคือสัจจะหรือความจริงระดับที่หนึ่งสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโวหารสัจจะความจริงโดยโวหารหรือโดยสำนวนพูดคือจริงตามมติร่วมกันตามที่ได้ตกลงกันไว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 ที่มันเป็นและเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคือการยั่งรู้สัจธรรมที่จะทำให้ความยึดติดถือมั่นหลงผิดทั้งหลายสลายหมดไปทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์มีจิตใจเป็นอิสระปลอดโปรง่งผ่องใสเบิกบานมีความสุขที่แท้จริงสิ่งที่เป็นจริงโดยปรมัตา์เช่น นามธรรมรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตเจตสิทธิ์รูปนิพพานผัสสะเจตนาเอก ก, กตาชีวิตินรสีเป็นต้นปรมัตศัสตร์จะเทียบเป็นภาษาอังกฤษได้ในคำว่า ultimate truth ตัวอย่างที่พอเทียบให้เห็นเขาเช่นในทางวิทยาศาสตร์ถือว่า คำว่าน้ำว่าเกลือเป็นต้นยังไม่ตรงสภาวะแท้อาจมีแง่ความหมายที่กลุมเครือหรือเควได้น้ำแท้ๆคือไฮโดรเจนไดออกไซด์หรือ H2O เกลือสามันก็เป็นโซเดียมคลอไรจึงถูกแท้ดังนี้เป็นต้นข้อเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่ตรงกันแท้แต่เทียบพอให้เห็นว่า ในวิชาการอื่นก็มีการมองเห็นความจริงด้านอื่นของสิ่งสามัญอย่างไรก็ดีความคิดเกี่ยวกับสมมติสัจจ์และปรมาสัจจ์ที่ท่านระบุออกมาเป็นคำบัญญัติในพระอภิธรรมนั้นก็ยกเอาความในพระสูตรนั่นเองเป็นที่อ้างแสดงว่าความคิดความเข้าใจเรื่องนี้เป็นของมีแต่เดิมแต่ในครั้งเดิมนั้นคงเป็นที่เข้าใจกันดี จนไม่ต้องระบุ ค, คําบัญญัติสองคำนี้ข้อความในพระสูตรที่ท่านยกมาอ้างนั้นเป็นคําของพระภิษุณีชื่อวชิรามีเนื้อความดังนี้มานหวังจะให้วชิราภิษุณีบังเกิดความกลัวและเคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาและกล่าวว่าสัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์บังเกิดที่ไหนสัตว์ดับที่ไหน วะเชราภิสุนีรู้ว่าเป็นมารจึงตอบไปว่านี่แนมารท่านจะมีความเห็นยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้อย่างไรในสภาวะที่เป็นเพียงกองแห่งสังขารลนน้วนๆนี้จะหาตัวสัตว์ไม่ได้เลยเปรียบเหมือนว่าเพราะคุมส่วนประกอบเข้าด้วยกันศัพ์ว่ารถย่อมมีฉันใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่สมมติว่าสัตว์ก็ย่อมมีฉันนั้น ความคล้ายกันนี้ที่เน้นในแง่ปฏิบัติคือความรู้เท่าทันสมมติและเข้าใจประมัติแล้วรู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายโดยไม่ยึดติดในสมมติเป็นทาตของภาษาสามารถยกบาลีที่เป็นพุทธพจน์มาอ้างได้อีกหลายแห่งเช่นในอรหันตสูตรสังยุตติกายสขารวักมีพุทธพจน์ว่าภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศจะพึงกล่าวว่า ฉันพูดดังนี้ก็ดีเขาพูดกับฉันดังนี้ก็ดีเธอเป็นผู้ฉลาดรู้ถ้อยคําที่เขาพูดกันในโลกก็พึงกล่าวไปตามโวหารเท่านั้นในโปตปาทสูตรทีคณิกายศีละขันธวรชพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับจิตตะหัตถิสารีบุตรว่าเหล่านี้เป็นโลกกสมัญญาเป็นโลกกนิรุติเป็นโลกกโวหาร เป็นโลกบัญญัติซึ่งตถาคตใช้พูดจาแต่ไม่ยึดติดอันหนึ่งพระอัตถกถาจาร์บรรยายลักษณะของพระสูตรหรือสุตตันตปิฎกว่าเป็นโวหารเทศนาเพราะเนื้อหาส่วนมากแสดงโดยโวหารคือใช้ภาษาสมมติส่วนพระอภิธรรมเป็นปรมัตาเทศนาเพราะเนื้อหาส่วนมากแสดงโดยปรมัตาคือกล่าวตามสภาวะแท้แท นี้เป็นข้อสังเกตเพื่อประดับความรู้อย่างหนึ่ง